ขอความเจริญในธรรมจุงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องของปัญญาบารมีบรโดยธราดับจะมีปัญญาอยู่ชุดหนึ่งท่านจำแนกแสดงไว้โดยลักษณะโดยอาการโดยความเข้มข้นซึ่งแตกต่างกันแต่ว่าเป็นปัญญาของท่านที่ได้บรรลุปฏิสัมพิธา ปสามิธานั้นเป็นคุณสมบัติอย่างสูงของพระอรหันต์ประเภทหนึ่งรพระอรหันต์ประเภทที่เริ่มต้นมาจากสมถะแล้วก็ต่อที่วิปัสสนาเนี่ยตามปกติแล้วจะบรรลุครบๆนะฮะสามเรื่องใหญ่ก็เรียกว่าวิชาสามอภิญิาหกปฏิสามิธาสีก็เป็นการได้พร้อมพรอกัน แต่ว่าคุณภาพจริงๆก็คงไม่เท่ากันนะครับข้อที่น่าสนใจก็คือเรื่องปฏิสัมพิธาทั้งสี่เป็นอาการของปัญญาแท้ๆนะแต่ว่ามันเป็นปัญญาระดับที่เราเรียกยังหนึ่งเป็นญาณไปแล้วเพราะว่ามันมีความลึกซึ้งแล้วก็ทะลุ ป, ปูกปรงออกไปแต่การแรกเรียกว่าอัฏฐปฏิสัมพิธาปัญญาที่เข้าใจอัถฐแห่งภาสสิต คือจะย่อรูอพิสดารก็าตามเนื้อหาหมายความว่าจับประเด็นเนื้อหาของเรื่องได้เรื่องราวก็อาจจะพูดอะไรเยอะเช่นสรุปความต่างๆเนี่ยย่อความหรือบางครั้งบางคราวขยายความเขาพูดสั้นนิดเดียวแต่ว่าสามารถที่จะขยายข้อความเหล่านั้นออกไปโดยวิจิพิสดารเช่นสมมุติว่า ท่านเขียนว่ามิตรมาตามิตรตังสเกคะเรแม่เป็นมิตรในเรือนของตนแล้วให้เราอธิบายเราจะเห็นว่าสามารถจะขยายอธิบายออกไปโดยวิจิตพิสดารยิ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่แล้วก็พูดอะไรได้อีกเยอะเลยนั้นก็แสดงว่าดื้อหาของความเป็นแม่จิตปัญญาของความเป็นแม่เนี่ยคนที่มีแม่ใกล้ชิดกับแม่หรือเป็นแม่เองเนี่ยจะอธิบายได้ดี ก็ยังนึกถึงว่ายังเวลาเรากล่าวสรรเสริญแม่ในวันแม่เนี่ยคือให้ผู้ที่เป็นแม่อยู่ด้วยแล้วก็เป็นลูกอยู่ด้วยเนี่ยอธิบา ย, ยแล้วก็จะเกิดการเชื่อมโยงกันคือปัญหาบางอย่างเนี่ยอธิบายยากอาตอมาเคยถามคนคุ้นกันเป็นผู้ใหญ่เลยนะคุ้นกันบอกว่าคือเขาบวชมานานแล้วก็สืบออกไปก็มีครอบมีผัว ม, มีลูกมีต า, ตาบอกว่า ถามจริงๆไอ้ความรักลูกมันเป็นยังไงท่านบอกมันอธิบายไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ถ้าอุปมาอะไรอุปมาได้ก็บอกว่ามันสมมติว่าเราเดินไปในป่าเนี่ยมันมีเสือวิ่งมาเนี่ยจะกัดลูกเราเราออกไปขวางคือสละชีวิตตายแทนลูกได้ท่านก็รู้ด้วยอุปมาก็แสดงว่ายิ่งกว่าชีวิต คือรักลูกจรงกว่าชีวิตแต่ลูกจะรักพ่อแม่ขนาดนั้นหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพ่อแม่เวลาพูดออกมาเนี่ยท่านพูดออกมาในลักษณะนั้นพราะเวลาขีดเขียนออกมามันก็จะมีแรงบันดาลใจสูงจะให้เห็นอัธยาให้เห็นสาระในเรื่องแต่ละเรื่องให้เราสังเกตเราพวกคำคมคมทั้งหลายเนี่ยที่นักปราชญ์นักวิจารการทั้งเขียนพอเราเลือกดูมันซึ้งมันคม คือแสดงให้เข้าใจว่าท่านเข้าใจถึงอัตถะคือเนื้อหาของมันเนื้อหาของชีวิตจะน่าจะพูกขึ้นมาสี่คนถามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่สองคนพาไปดูแล้วก็เป็นภาษาที่พื้นๆ น, นะแต่ถามอธิบายยังไงมันก็ต้องคิดแล้วเพราะว่าเวลาอธิบายเนี่ยอธิบายระดับไหนก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับอธิใายคนฟัง อธิบายที่จริงๆเป็นสภาวะธรรมจริงๆของชีวิตเนี่ยสี่คนหามก็คือธาตุสี่ที่มาเกาะกุมกันเป็นชีวิตสามคนแห่ก็คือว่าอะไรล่ะเอาแก่เจ็บตายก็ได้นะฮหรือว่าเอาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาก็ได้แต่ว่าโดยหลักแล้วก็ต้องเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาคนหนึ่งตั้งแคร์ ก, ก็คือจิตจิตเนี่ยเป็นตัวครองชีวิตเป็นนายของชีวิต แล้วสองคน่าไปก็คือบุญกับบาปคนเรามาสู่โลกนี้ด้วยบุญกับบาปอยู่ในโลกนี้ด้วยบุญกับบาปจากโลกนี้ไปด้วยบุญกับบาปแต่ ว, ว่าเราจะเอาอะไรล่ะโบราณเขาพูดดีจะดนรักดีหามจัวรักชั่วหามเสาจะเอาอยัางไงล่ะไอ้จัวเน่มันเบานะฮะเสามันหนักแล้วก็หามก็หามยากด้วยเพราะการปฏิบัติในวิถีของกุศลธรรมเนี่ยมันง่าย มันมตรงตัวพูดเปง่ายๆแต่ถ้าปฏิบัติในกุศลธรรมและปัญหามันจะตามอีกใหญ่งลยมีการชัดทอดมีการวิตกกังบนมีการห่วงใยมีการจะต้องอา ธ, าธิบายชี้แจงชี้แจงแล้วก็ฟังหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะสิ่งเหล่านี้พอเราเออกมาคิดแล้วมันคิดอะไรได้เยอะตอนที่เข้าถึงอัธะตรงเนี่ยมัน คือจะมองได้ตลอดสายแล้วก็จะย้อนกลับไปพิสูจน์อะไรต่างๆได้อีกอย่างยกตัวอย่างว่าเราเข้าใจธรรมะคือศรัทธาเพราะศรัทธามันมีความพ่องใสปรากฏขึ้นภายในใจในเป็นลักษณะและกิเลส ท, ที่เป็นเอเรคุณมัวนี่คืออะไรก็คือกิเลสประเภทโมหะมันขุณมันทำให้ไม่เชื่อทำให้เครือดแครงสงสยัยทำให้ฟุง้งซ่าน แตาไม่งมงง่ายก็แล้วแต่มันเก็มข้นขนาดไหนแต่ว่าเราจะดูเนี่ยเราก็ต้องดูโดยใจเราเองหมายความว่าพยายามเพิ่มผงศรัทธาขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงนั้นจิตใจถ้ายังเห็นความไม่เชื่ออยู่ก็แสดงว่าศรัทธายัางอ่อนมากเมื่อเกากความไม่เชื่อแล้วยังมีบางจุดที่เครื่องแฝงสงสัยอยู่ไหมถ้ายัางเครื่องแ่งสงสัยก็แสดงว่า ไม่แน่นอนนะนะศรัทธานี่ค่อนข้างเสี่ยงแต่มันเติบโตเจริญเติบโตจนถึงไปพิสูจน์ตัวเองได้อยา่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงบทพิสูจน์เอาไว้สามข้อนะ่บางคนที่มีศรัทธาก็คือหนึ่งเนี่ยต้องการจะคบหาสมาคมเข้าใกล้ท่านผู้มีศีลทั้งหลายเพราะรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์ แล้วสองนี่มีความพอใจยินดีใคร่ต่อการฟังพระสธรรมไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักเบื่อยังนึกถึงว่าคนสมัยโบราณะสมัยพระพุทธเจ้าอ่นะก็ฟังธรรมกันรุ่งฟังธรรมตลอดคืนอย่างรุ่งก็ดูเออมันก็ดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะแต่ถ้าท่านผู้ฟังได้ไปดูคนอิสลามเขาฟัง คนอะไรละฮินดูเขาฟังหรือว่าพวกสีมัดพระกวัฏิตาเขาฟังก็ควังเป็นสิบสิบชั่วโมงยังไววเลยนั่งบนพื้นเน่ะแต่วิธีนั่งเขาไม่เอนเหล่าตำแหน่งเขาก็นั่งสบายนั่งตามัทย์ยาใสยนั่งรัดข่าก็ได้นั่งโยกตัวก็ได้นั่งอะไรก็ได้มันก็ทำให้ประเพณีนิยาบทฟังเก่งจริงๆหลายปีมาแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านไป สมาคมเขาเรียกว่าอาสมสีมัตพกวัตกีตาไปศึกษาเรื่องปรัชญาไปสาธยายเรื่องปรัชากันพวกนี้มันฟังหามรุกงหามค่ำมันเราฟังได้จริงๆนันก็แสดงว่าพวกนี้เขามีพลังศรัทธาของเขาเขาพอใจติดใจที่จะฟังแล้วก็สามารถขจัดมนทินคือความเส น, น่ออกไปได้เราสังเกตอาการที่คนไม่ส น, นี ที่เหนียวของตัวเองพร้อมที่จะสละบริจาคแก่คนอื่นนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเข้าของที่เราให้เขานั้นเราไม่เสีดดยดายตัวแสดงว่าละโลภได้แล้วก็คนที่เราให้นั้นเราไม่รู้สึกเป็นศัตรูอย่างน้อยนะฮะคือไม่มีความคิดเป็นศัตรูก็แสดงว่าละโทสะได้ทีนี้โลภกับโทสะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดมัฉริยะ เราความสนีบางอย่างาลองสังเกตเนะี่ยสมมติว่าอะไรเขาเรียกว่าลาภามัจจริยะคือสนีผลประโยชน์ทั้งหลายเช่นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราก็ไม่ต้องการจะให้แก่คนอื่นถามว่าจริงหรือเปล่าคือไม่ให้แกใครทุกคนจริงหรือเปล่าก็เปล่าหรอกถ้าคนนั้นเรารักเขาเราเคารพเขาเราศรัทธาต่อเขาเราพักดีต่อเขาเนี่ยเราให้ได้แต่เราทั้าเมตตาสงสารเนะี่ยทั้งหมดให้ได้ ก็แสดงว่าการที่เราให้ไม่ได้ประการแรกก็อาจจะคนที่เราให้ในเราไม่ชอบประการที่สองเนี่ยอาจจะหวงไอ้ของที่เราจะให้เลยก็ให้ไม่ได้เพราะนวชจริยะเนี่ยมันก็คือโลภกัตถสังแต่ไม่ต้องถามว่าโมหะด้วยหรือไม่นะ่ะโมหะ ก, ก, ก็อยู่อย่างงั้นแหละ ก, ก็อยู่อยู่ทุกเรื่องในเรื่องคิเลสทั้งหลายเนี่ยเพราะท่านที่เข้าถึงอัตถะคือเนื้อหาของเรื่องเนี่ย จึงเรียกว่าปฏิสามพิธาหมายความมีปัญญาที่แตกฉานจริงๆมีเป็นอันมากในบ้านในเมืองเราราถูกเชียงในเชิงที่เป็นรูปแบบเราไม่ได้สนใจในประเด็นของเนื้อหาแม้รูปแบบพิติกรรมทางศาสนานี่มีเป็นอันมากนะคือเราเห็นชัดเจนว่านี่เป็นความงมงายเป็นความไม่มีเหตุผลเคยไปในสถานที่หนึ่งไปกับหลวงปู่นะ พาผู้เท่าแล้วท่านบวชวายจะต้องเอาน้ำมาทำน้ำมนในน้ารองจากกลางหาวแล้วเทียนนี่ต้องทำกับสีพึ่งด้วยทําทไม้หลวงปู่ต้นไมต้องคิดอย่างนั้นน้ำก็คือน้ำ น, นะมันจะตกกลางหาว ห, หรือไม่หาวอะไรที่จริงน้ำที่เข้ามามันตกมาจากกลางหาวทั้นนั้นแหละมันตกมาจากข้างบนงนั่น แล้วการที่จะนับสนุนให้เอาขี้พึ่งมาทําเชียนเนี่ยมันแสดงว่าไปหนุนแล้วเขาไปฆ่าตัวพึ่งเพื่อเอารังมันมาทําเชียนเนียจะว่าอย่างไงมันไม่ได้แปลกอะไรอ่ะเทียนก็คือเทียนน้ําก็คือน้ําอ่ะพิธีกรรมแต่นั้นเองแต่ว่าเพราะเราไม่เข้าถึงเนื้อหาของมันว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นอย่างไงเพราฉนั้นปัญญาที่จะเข้าถึงเรื่องเหล่านี้ ถ้าจริงจำแน่แสดงออกไปพิสธดธารประการต่อไปนั้นเป็นเขาเรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิ ธ, ธาเป็นการเข้าใจถึงนัยยะหรือว่าเหตุผลในเรื่องนั้นๆ เ, เช่นสมมติว่ามีคนคนหนึ่งพูดว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้มันก็เป็นปนัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกัน อยางนักประย่าก็แสดงว่าบุคคลไม่สามารถกระโดดลงไปในกระแสน้ำเป็นครั้งที่สองได้ถ้าเราคิดแบบธรรมดาคล้ายๆจะได้นะแต่ลองสังเกตทั้งสองเรื่องนั้นเป็นอย่างกันเนี่ยสมมุติว่าเรากระโดดเอาอะไที่สะพานอะที่สะพานพูดอะไรก็ได้นะกดีดเตี้ยหน่อยสมมุติว่าเรากระโดดลงไปเนี่ยกระโดดปั๊บลงไปเนี่ยเรากระทบน้ำ แต่ว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปแล้วพอเราขึ้นมาใหม่จะกระโดดใหม่ในน้ํามันก็เลยไปแล้วอายุเราก็แก่ไปหลายนาทีแล้วทุกอย่างมันใหม่หมดแล้วมันเลื่อนไหลโลกมันเป็นกระแสของการเลื่อนไหลเพราะฉนั้นไม่มีใครกระโดดน้ําลงไปครั้งที่สองได้กระโดดนะกระโดดสักห้าสิบครั้งก็ได้แต่ไม่ใช่ในจุดเดียวกันในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันในอายุเดียวกันเนี่ยมันทําไม่ได้ หรือว่ากตรตัดส์นั้นถิ่ปฏิกรรังอย่างที่ว่าสิ่งนี้ทําแล้วทําคืนไม่ได้มันก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาเราไปด่าเขาแล้วจะคืนไม่ด่าขอถอนคําพูดมันก็ถอนไม่ได้คือด่าแล้วนะจริงคือด่าไปแล้วไอ้นั้นมันเป็นอกุศลและเจตนาแล้วก็ก็เป็นบาปไปแล้วเป็นมรจีทจ่จะไปแล้วไปแก้ตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าทําใหม่ก็คือทําใหม่เราขอโทษขอโทษมันก็เป็นกุศลกรรม แต่ไม่ใช่ว่าไอ้ตัวบาปที่ทำไปแล้วมันจะหายไปก็เป็นเรื่องเขาทำไปหมดแล้วคนละเหตุคนละผลกันเลยเอนสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่เข้าใจในตัวภาษาพยัญชนะใจความของเรื่องเหล่านั้นหรือบทกระทู้ต่างๆเนี่ยด้านเรนี้เป็นที่น่าสังเกตคือเวลามีประชุมมีอภิปรายมีอะไรก็ตามนะ คือคล้ายๆกับบางคนเนี่ยเตรียมจะพูดอะไรพรพูดเรื่องเหล่านั้นไม่ดูหัวข้อแต่หลักการในศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีอุเทศหัวข้อตั้งแล้วต่อไปจะมีขยายหัวข้อเหล่านั้นเขาเรียก น, นิเทศคือขยายไปแล้วเสร็จแล้วจะสรุปประเด็นพอเราขยายไปมันกว้างโดยในยาต่างๆเนี่ยมันเยอะเลยความเพียนสมมติราไความเพียนรความเพียรมันเยอะเนี่ยเราจะพูดไปรเรียนไหนก็ได้แล้วขยายกระจายประเด็นออกไปแล้วเสร็จแล้วก็สรุป สรุปสั้นๆสรุปสั้นๆก็พอๆกับข้อความที่เป็นนิยามข้อความที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะสรุปหมายความข้อความมากกว่าน้อยแต่ไม่ใช่มากมายวิจิตรพิสดารอะไรเพราะตรงนั้นไม่จะอยู่ในปฏินิเทศรรคือบทขยายแล้วจะทำให้เราสามารถสื่อสารติดต่อกันได้แล้วเรื่องเหล่านี้บางครั้งบางครงาวมันปรากฏเช่นสมมติว่าคา โ, โกงคากรนคาอะไรต่ออะไรที่มันซึ้งมาก มันเกิดเป็นภาพพจน์หมายความว่าพจน์เหล่านี้มันสร้างภาพขึ้นมาได้ก็แสดงว่าคนที่พูดนั้นเข้าใจถึงสารัฐานในตรงนั้นเช่นภาสิธทธิเกี่ยวกับชีวิตถึงทังกล่าวไว้สองมันทัดเนี่ยยศได้ล่าผ่าไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม่ร่างตนก็ยังเอาไปเปาไฟมันเป็นภาพที่ชัดมาก แล้วก็อีสองวันทัดหลังก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้เราได้คิดเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะสุขสนุกะนนจะไหจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามานั่นก็แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงเรื่องเหล่านั้นทั้งอัฐถักคือเนื้อหามันแล้วก็ภาษาที่จะสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ คืบางทีเราเข้าใจนะเราเข้าใจในตัวเนื้อหามันแต่มันจะสื่อสารยังไงจะพูดยังไงคนก็เข้าใจจะแแนวนี่กายเซนเนี่ยเขาเล่าเนี่ยคือเขาไม่ค่อยอธิบายนีกายเซนเนี่ยเขาจะไม่อธิบายลกูกศิษย์ก็ถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อหลวงพ่ อ, อ, พอไอ้ตัวโ ท, โทสะโทสะเนี่ยมันเป็นยังไงหลวงพ่อก็จับไม้ตีะระฆังตีหัวลูกศิษย์ ท, ทีหนึ่งนะแล้วก็ทีบออกไปข้างนอกแล้วปิดประตูใส่หน้าแล้วขังไว้ให้อยู่ตาขนอยู่ข้างนอก ปกขนซาหลวงพ่อก็ยืนรองั้นไนงะปกขนสาก็เปิดเปิดนะักเข้ามาแต่ไป็ไงรู้จักอะไรยังตัวโทสะรู้จักอะไรยังทศเสือก็เข้าใจอนะฮะเพราะว่าโทสะทั้งอาจารย์ไอตีหัวก็ตีหัวถามแทนที่จะตอบก็ไม่ตอบแล้วก็ตีหัวเขาอีกแล้วก็ทีบก็อีกแล้วก็ให้มายืนตากฝนแล้วอีกเหมือ น, นาโกรธนะฮนะเพะื่อนก็ดูได้ที่ใจตัวเองคือจะเห็นโทสะที่ใจตัวเอง โดยไม่ต้องอธิบายนั้นแนวนิกายเซนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอธิบายอย่างเนี้คือว่าจะพยายามฝึกปลือจิตใ จ, จตัวเองไม่ให้ค่อยยึดมัน่นหรือมั่นอะไรมากเกินไปข้อต่อไปนั้นนิรุตติปฏิสัมพิทาคือปัญญาแตกฉานในภาษาในรุติศาสตร์หนะมายความแตกฉานในภาษาแล้วก็วิธีการในการสื่อสารในการใช้ภาษาเราทำให้เรฟังนิดเดียวมันเห็นภาพ เห็นภาพทีพไพรอบนะะอย่างโครงมิราชนรินทร์องสามบทแรกที่เราถือว่าไพรอะมากๆอนะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงยิ่งก็คือที่ประบเรื่องศาสนาบทที่สองกับบทนะบที่สามเนี่ยนะบทที่สองกับบทที่สาเนะี่ยเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่าเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแ ก, วแกนล่าหลากสรค์ โบสถเบียงมรดพื้นภายหารธรรมาสลาล า, ลานพระแผ่วขอใจระคังขานภายคำ่ำไขประทีปโคมแก้วกำคว้าเฟื่อนจันทภาบรรยากาศของวัดที่หน้าเคารพนับถือศรัทธาสงบแล้วก็น่าอยู่น่าอาศัยเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ของความเป็นอารามคือรื่นรมสบายใจแล้วก็เยือกเย็นเกิดขึ้นภายในใจ อันนี้ก็แสดงว่ามันสามารถใช้ภาษานี่สื่อได้สื่อแล้วก็คําข้อความตรงนั้นเนี่ยเข้าใจได้อยางการเทศการสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราอ่าในให้เข้าใจนะนะคือมันมีการคือแค่คภาพมันเต้นได้อ่ะมันมีความเคลื่อนไหวเราสามารถจะจินตนาการเห็นภาพพระพุทธเจ้านั่งอย่างนั้นเทศอย่างนั้นพระนั่งอย่างนั้นสถานที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหมายความว่าเราเป็นช่างเขียน เป็นจิตตะกรก็สเก็ตภาพออกมาได้อพออ่านแล้วจะเห็นเป็นภาพเลยนะแล้วมันก็ซึ้งอย่างที่เคยเล่าฟังว่าติ่ประลบเรื่องไดร่มประโพธิยาเนี่ยเพราะซึ้งในเหตุการณ์ไดร่มประโพธิยาแล้วก็ทั้งหมดมันก็มาจากไต้ร่มประโพธิยาตัวนี้เรากําลังพูดกําลังเดินทางเข้าสู่ไตร่มประโพติยาน่ะที่จริงยังตัวเจ้ายังไม่ได้ศสัสรูนะเราอยู่ในช่วงการว่าเป็นบารามี ภายในรุติเนี่ยปัญหาสำคัญว่าที่น่าข่องใจสงสัยอาตมา น, นั้นเชื่อไปในตำนองวา่าภาษาในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าเข้าไปะไทยทั้งหมดโดยการจัดสรุเพราะอะไรเพราะว่าตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าพันาสด็จไปในแคว้นต่างๆนี่มากมายอินเดียนี่เป็นประเทศที่แปลกนะหนึ่งแสนตารางกิโลเมตรเป็นวงกลมภาษาเปลี่ยนแล้ว ภาษาเยอะจังเลยรู้จ้าเทศโดยไม่เคยมีร่างเลยนั้นก็แสดงว่าภาษานั้นแน่นอนส่วนหนึ่งก็ทรงศึกษาสมัยราชกุมา์แต่ว่ามันก็น่าจะมีอะไรพิเศษในตัวสัพพัญญุตยานหรือว่าความเป็นพระหานทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามองสังสารวัฏยาวนานนะว่าเราก็เคยเกิดในชาตินั้นชาตินี้พอพรนนั้นพอพรนนี้ความรู้เรื่องภาษาเหล่านี้เรามีอยู่ภายในใจ จะอยู่ลึกขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้เมื่อใจมันบริสุทธิ์หมดแล้วเนี่ยภาษานี้มันก็น่าจะปรากฏเกิดขึ้นแต่สรุปว่าท่านแตกฉานในเรื่องภาษาแล้วก็ยก้ยายเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารกับคนที่จริงเรื่องเดียวกันนะั่นนะเรื่องีกันแต่ว่ามีวิธีสื่อสารที่ย้ายคนเกิดความเข้าใจคนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้ แล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือมีปฏิภาณปฏิสัมพิทาคือมีไหวพริบ ป, ปฏิภาณในการที่จะชี้แจงในการที่อธิบายขยายข้อความตรงนี้โต้อตอบอย่างนี้วิธีนี้คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของไหวพริบ ป, ปฏิภาณของท่านเหล่านั้นเราเห็นว่าท่านเหล่านี้ไม่ต้องเอาพระพุทธเจ้าก็ได้นะเอาพระทั่วๆไปในคนทั่วๆไปมันจะมีความแหลมคม ลึกซึ้งแล้วก็ฟังปั๊บเนี่ยท่านเข้าใจทั้งอัฏฐาาะทั้งพยัญชนะที่เขาสื่อสารออกมาสามารถจะโต้อตอบและชี้แจงจะเข้าถึงพื้นฐานใจิตใจของท่านเหล่านั้นเพราะในลักษณะไว้พิปฏิภาณเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องที่คนจะต้องใช้ประสบการณ์ตัวเองแล้วก็คิดพิจารณาให้เกิดความเข้าใจบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ปฏิภานนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง แต่มันก็เกิดขึ้นมาอย่างเนี้ยอย่างเช่นสีปราที่เขาบอกว่าต่อสู้กับพวกไก่สนมกับนั้นในมาตลอดแล้วก็แพ้ทีปราดตลอดเนี่ยอย่าลืมว่าคนที่เตรียมมาโต้กับสีปราดเนี่ยก็แต่งโครง ม, มาก่อนนะฮะก็ท่องมาแล้วแต่สีปราเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้โครมกระทู้เนี่ยมันจะมาเป็นยังไงอย่างที่เหลืออยู่สองบาทอะนกน้อยนอนแนบน้ําในานาอันนั้นพวกสาวสารกับนั้นในก็เขียดมา ที่ปราตอบันทีว่าต้มเตอะติดเต็มตาตื่นเต้นใช้นอก็เธอใช้หนอมาจันใช้ตอแล้วก็อธิบายความได้มันนอนนอนแนบน้นําในนาแล้วมันก็เปือนนะ้อนเนี่ยทั้งตมทั้งน้ำทั้งอายรต่ออะไรอั น, นี้ก็คือว่ามันเป็นนิรุติอย่างหนึ่งและไ ม, ไม่เป็ น, เ ป, นเป็นปฏิพาณอย่างหนึ่งที่แตกฉานวิธีการจะสื่อสารจะทําทความเข้าใจกับคนเหล่านั้นประพูดไปแล้วเนี่ยโค้ชมันเห็นจริงตามนั้นซึ่งถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่พิเศษมาก ทั้งสี่เรื่องเนี่ย น, นะฮะเป็นเรื่องที่พิเศษทั้งหมดต้องฟังทนายแต่หลงประพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเกานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมโดมีแต่ท่านผู้ฟังทนายโดยทั่วกันสวัสดี